พระอนุบัญญัติอ น, นึ่งภิกษุใดรับนิมนต์ไว้แล้วมีพัะตาหารอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาชันพัะตาหารหรือหลังเวลาชันพัะตาหารนอกสมัยต้องอบัติปาจิตติสมัยในข้อนั้นคือสมัยที่ถวายจีวรสมัยที่ทําจีวร น, นี้เป็นสมัยในข้อนั้น